จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการสนทนาธรรมของอาจารย์มงคลบุตรกับดรพัฒนะซึ่งจะสนทนาธรรมกันในเรื่อง ธรรมกายเป็นของจริงในพระพุทธศาสนาหรือไม่เพราะที่ผ่านมานั้นท่านสาธุชนอาจจะมองเรื่องธรรมกายว่าเป็นลัท ธ, ธิหรือเป็นอะไรสักอย่างซึ่งตั้งขึ้นมาลองมารับฟังหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอักขันยสูตรซึ่งประเด็ชซึ่งอาจารย์มงคลบุตร จะได้นำเสนอเป็นการสนทนาธรรมกับดรพัฒนาซึ่งเทป ร, รายการนี้ก็ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด้วยขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจเป็นกลางศึกษาธรรมะจากการสนทนาธรรมโดยจะสนทนากันในเรื่องธรรมกายเป็นของจริงในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันรายการวันนี้ก็จะเป็นรายการสนมทนาธรรมะกันกับท่านวิทยากรของเราคือท่านอาจารย์มกคลบุตรซึ่งท่านผู้นี้ท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้พบกันกับท่านในระหว่างการฝึกอบรมพระกรมฐานที่วัดสเกตหรือวัดภูเ ข, ขาทองทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครับในวันนี้ผมอยากจะขอเรียนถามปัญหาแรกเลยนะครับปัญหาแรกนั้นก็คือมีผู้ซึ่งฝึกพระกรรมฐานในสายอื่นนี่นะครับและแม้กระทั่งผู้ซึ่งฝึกตามนวิชาธรรมกายเองแต่ฝึกยังไม่ลึกซึ้งเนี่ยครับก็มีความสงสัยกันอยู่ว่าธรรมกายเนี่ยเป็นของจริงในศาสนาหรือเปล่าครับอ๋อครับ อันนี้ก็เราก็พูดกันมานานนะครับว่าธรรมกายนั้นเป็นของจริงในพระพุทธศาสนาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะกล่าวรวบยอดแล้วธรรมกายนั่นเองคือพระพุทธรัตนะและธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายคือพระธรรมรัตนะและธรรมกายที่ละเอียดละเอียดผู้ปฏิบัติ กำจัดขัดเกลากิเลสและสัญยชน์เครื่องร้อยรับให้ติดอยู่กับโลกนี้ให้หมดสิ้นไปและเป็นผู้รักษาประสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก็คือพระสังฆ ร, รัตนะนะครับทีนี้กระผมใคร่เรียนสักเล็กน้อยไปถึงเนื้อความที่ว่าที่ว่าธรรมกายเป็นของจริงในพระพุทธศาสนานั้น มีเอกสารอ้างอิงอย่างไรหรือไม่ครับกลับจุดนี้เป็นจุดสําคัญ <c oughs> ซึ่งความจริงกับผมเองก็ได้เสนอเอกสารอ้างอิงมาแล้วหลายครั้งหลายตอนแต่กระผมใคร่จะย้ําตอนที่สําคัญที่ว่าธรรมกายคือพระพุทธรัตนะรหรือพระพุทธเจ้าครั บ, รบนะครับแล้วเรามาทบทวนดูว่าคําที่ว่าพระพุทธเจ้านั้น มีอีกคำหนึ่งซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกพระนามของท่านเองว่าตถาคตครับนะครับตอนนี้คําว่าพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นคําแปลครับคำแปลของชื่อที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าคําว่าตถาคตก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะครับแต่ทั้งสองคำนี้หรืออีกในหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั้นเป็นใครเรามาจุดนี้ก่อนครับเป็นกายของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือข้อนี้กับผมกอเรียนว่าไม่ใช่นะครั บ, รบที่ไม่ใช่เพราะผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นไม่ใช่จิตใจของกายเนื้อเป็นของข้างในนะครับเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ณภายในรวมความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาและทางใจอันเกิดแต่การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง หรือในหนึ่งคือพระวินัยนะครับสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาด้วยพระวินัยทั้งหมดและจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสที่วนนะครับทั้งหมดอีเหมือนกันและมีปัญญาที่บริสุทธิ์ที่สุดนี่รวมกันเข้าถ้าทำนั้นแหละครับคือธรรมกายซึ่งท่านนักปริญญาได้กล่าวหรือ ถึงคำแปลตามหลักประยัตก็ว่าธรรมกายคือหมู่ธรรมคำว่าธรรมนี่หมู่ธรรมคือหมู่ธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายและทั้งใจนะครับและธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องเป็นธาตุที่มิใช่ธาตุธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนะครับ <c oughs> เพราะธาตุธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นกาย รูปสังขารของเราก็ดีหรือจิตใจของมนุษย์ก็ดีนี่ยังประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้เสื่อมได้นะฮะเสื่อมไดนะ้สิ่งใดที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะหรือไตร ล, ลักษณ์คือจะต้องเปลี่ย น, ปย น, ปยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยกายของเจ้าชายศิธฐถะซึ่งเป็นเครื่องรองรับตถาคต เสื่อมสลายไปได้นะครับทีนี้ฝ่ายจิตใจนะครับจิตใจนี่นะะความรับรู้ในความเจ็บปวดมีเหมือนเราทุกประกา ร, รนะครับแต่รับรู้แต่พระองค์ไม่ยึดติดสิ่งที่พระองค์ไม่ยึดติดนั้นมีาธาตุอีกาธาตุหนึ่งซึ่งตถาคตเป็นอยู่าธาตุนั้นอยู่นอกเหนือาธาตุธรรมและจิตใจของกายมนุษย์และาธาตุที่ว่านี้แหละคือธรรมกาย นะฮะแต่ถ้าว่ากายเนื้อนี้ถ้าเอาเข็มไปจิ้มท่านเอาไฟไปจุดท่านเจ็ บ, บแล้วก็ไหมพองเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยลงท้ายก็าตายเหมือนกันนะครับยึดถือไม่ได้ทีนี้พระองค์ได้แสดงความจริงไว้พระสัจธรรมไว้ในตอนสำคัญกระผมจะเรียนให้ทราตอนหนึ่งมีอยู่ในอักคัญญสูตรในอักัญญสูตรนั้นพระองค์ทรงแสดงว่า ธรรมกายก็ดีธรรมภูตะก็ดีธรรมกายคือหมูธรรมนี่สะแปลตามหลักปริยัติที่สะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าถึงแล้วเป็นกายจริงๆมีจิตใจจริงๆที่สะอาดบริสุทธิ์สัมผัสได้ครับที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ในที่สุดละเอียดของใจนั่นแหละครั บ, รบของาธาตุธรรมที่สุดละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดครับนะครับทีนี้คําว่าธรรมภูตะ แปลว่าความอุบัติขึ้นของหมูธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นแหละนะครับครับแล้วมีอีกคำหนึ่งพรหมะพรหมมากายครับพรหมกายนี่ก็แปลว่ากายอันประเสริฐ น, นะครับพรหมมาภูตะความอุบัติขึ้นอันประเสริฐคือตถาคตหรืออีกในหนึ่งเราตถาคตคือธรรมกายครับ ม, มีมีอยู่ในอักขันสูตรชัดแจ้งครับและที่กระผมว่ากายเนื้อนี้ เป็นกายเนื้อของเจ้าชายสิทธัตถานั้นไม่ใช่ตถาคตเพราะคำว่าตถาคตนี่เป็นความหมายของความยั่งยืนของความเบิกบานในธรรมที่บริสุทธิ์นะครั บ, รบมีปรากฏอยู่ในนิพพานสูตรที่สามว่าดูกระภิกษุททั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทาไม่ได้แล้วมีอยู่ นี่คือว่าสิ่งซึ่งไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนะั่นมีอยู่นะครับนะดูกระพิกสุททั้งหลายถ้าธรรมชาตินี้กระผมพูดรัดตัดความหน่อยมีได้มีอยู่แล้วใส่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทาได้แล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยนี่นะครับแปล ว, ว่ามีธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนะ่นีอยู่นะ ถ้าธาตุธรรมนี้ไม่มีอยู่สังขารอาการสลัดออกซึ่งสังขา น, นี้จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูกระพิสุทั้งหลายก็เพราะว่าธรรมชาติที่เกิดและที่ไม่เกิดแล้วที่ไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทาไม่ได้แล้วมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทาแล้วจึงปรากฏเพราะนนัแ้แปลแปลว่าการสลัดออกซึ่งสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งพระ อ, องค์กระทาได้แล้วนั้น ทำได้ก็เพราะว่ามีธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งยังยย่งยืนยั่งยืนเป็นเครื่องรองรับอยู่เป็นอยู่ น, นั่นแหละคือตถาคต ค, คือธรรมกายนั่นเองนะครับและธรรมกายนี่เองจริงๆแล้วก็คื อ, อกายซึ่งประมวลเอาความบริสุทธิ์3มประการเข้าไว้คือกายกับหัวใจของธรรมกายนั้น เป็นเนื้อหนังที่แท้จริงรวบยอดกลั่นออกมาจากพระวินัยปิ đ กคือเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ในพระวินัยอย่างยิ่งทางกายทางวาจานะครับเป็นนี่เป็นปฐมะมรรคทีนี้ดวงจิตเป็นเนื้อหนังที่แท้จริงรวบยอดกลั่นออกมาจากพระสุตตันตปิ đ กนะครับแปลว่าเป็นสมาธิยิ่งจิตยิ่งนี่เป็นมรรคจิตนะครับครับ และดวงปัญญาเป็นเนื้อหนังที่แท้จริงรวบยอดกลั่นออกมาจากพระอภิธรรมพิสกนะครั บ, รบนี่เป็นมรรคปัญญาปฐมมรรคมรรคกักกจิตมกกรรคกปัญญานี่ประชุมพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันอุบัติขึ้นพร้อมกับธรรมกายเป็นธรรมกายครับนะครับเป็นคุณสมบัติของธรรมกายพูดอย่างง่ายๆครับนะครับนี่แหละที่ว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่กายเนื้อไม่ใช่จิตใจของกายนี้แปลว่ามนุษย์เราหรือสัตว์โลก มีกายในกายจิตใจด้วยนะรหรือจะเรียกว่ากายในกายจิตใจก็ฝ่ายจิตใจก็พระธรรมเวทนาจิตแล้วก็มีธรรมหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้นี่ฝ่ายจิตใจซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆจากหยาบไปถึงละเอียดสุดละเอียดฝ่ายโลกียะซึ่งประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารสุดละเอียด มีกายมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมพรหมละเอียดอรูปอรูปพรหมอรูปพรมละเอียดพร้อมด้วยจิตใจและธาตุธรรมสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าการไปตามลาดับนะฮะแต่ว่าสะอาดบริสุทธิ์จากอะไรจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาซึ่งเป็นมูลรากฝ่ายเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงหรือเป็นผู้ที่จะเกิดเพราะเหตุแห่งอวิชชา<อ>เัราความไม่รู้เนี่นะเพราะความไม่รู้ทีนี้ แต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตามลําดับอวิชชาเบาบางไปตามลําดับแต่ยังต้องเกิดอยู่ยังตกอยู่ในสภาวะสามั ญ, ญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือลงท้ายก็แตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเรียกว่าอนัตตาเป็นอยู่อย่างนี้นะครับแต่พอสุดละเอียดบริสุทธิ์ที่สุดไปแล้วนั่นแหละถึงธรรมกายผู้ตื่นผู้เบิกบานที่กระผมเรียนว่าเป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะ เพราฉะนั้นธรรมกายเนี่ของจริงในพระพุทธศาสนาครับครับทีนี้เฉพาะในเรื่องนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคิดว่าอาจจะเอาไว้ต่อตอนต่อไปนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมอยากจะขอเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าเชื่อว่ามีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับแน่ๆอยู่แล้วอาจารย์ผมทราบว่าที่ทางโครงการเนี่ยนะครับ ได้มีการอบรมพระกรรมฐานถวายพระวิปัสนาจารย์แล้วก็แด่อุบาสกอุบาสิกานะครับทำมาถึงเจ็ดครั้งแล้วที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเนี่ยนะครับทราบว่าในรุ่นที่7เนี่ยนะครับได้รับผลดีเป็นอย่างยิ่งเลยท่านอาจารย์พอจะกรุณาอธิบายได้ไหมครับว่าด้วยเหตุ ประการใดครับถึงออถึงได้ผลดีอย่างยิ่งเป็นที่น่าชื่นชมเนี่ยครับความจริงการอบรมพระกรรมฐานที่โครงการของเราและมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอลำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นกระผมขอเน้นวัตถุประสงค์สักเล็กน้อย ก็เพื่ออบรมพระกรรมฐานแด่พระสงฆ์นี่แหละครับเพื่อสร้างพระในใจคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาด้วยครับและเฉพาะในส่วนพระสงฆ์นั้นเพื่อให้ท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้สรงขุณวุธทั้งทางด้านหลักทฤษฎีที่เรียวกว่าปริยัตทั้งทางด้านปฏิบัติให้แก่กล้าทั้งทางศีลสมาธิปัญญาคืออบรมทั้งสองสมทางเลยทั้งสองทางเลยนะครับรวมรทั้งให้งดงามพร้อมด้วยศีลาจารวัตครคับนะครับเพื่อให้ได้ผลดี แล้วนำเอาผลปฏิบัติประสบการณ์จากการปฏิบัติเนี่ยไปเผยแพร่ในท้องที่ของท่านทั่วประเทศรรเราทำมาแล้วเจ็ดรุ่น ร, ร, รุ่นสุดท้ายก็ปรากฏว่าได้ผลดีที่สุดสูงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมากล่าวคือมีพระสงฆ์เนี่ยเข้ามารับการอบรมในคราวนี้ประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบรูป มีพระสงฆ์ที่ถึงธรรมกายถึงสี่สิบสี่ท่านซึ่งมัเยอะนะครับหลายท่านเป็นพระสังฆาธิการครับคือพระระดับเจ้าอาวาตรองเจ้าอาวาสพระครูอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีรัตโนโณดมเป็นผู้อํานวยการอบรมดังที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แว บ, บหนึ่งนะครับนะบทีนี้เมื่อคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ของผู้ถึงธรรมกายแล้วมีถึงประมาณ เอยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหนึ่งในสี่นะหนึ่งในสี่ครับเป็นอัตราที่สูงมากสูงมากนะครับส่วนสามเณรนั้นอัตราสูงถึงหกสิบเปอร์เซ็นตครับครับคือจากผู้ปฏิบัติอผู้ปฏิบัตินี่ประมาณสามสิบแปดรูปหรือสามสิบเจ็ดรูปไม่แน่ใจนะครับก็ถึงธรรมกายสิบเจ็ดสิบแปดรูปกว่าครึ่งนะกว่าครึ่งครับกว่าครึ่งอันนี้ก็ นับนะว่าปฏิบัติได้ถึงธรรมกายในอัตราสูงครับที่นี้มาถึงว่าเหตุผลใดนะฮะผู้ที่มาเข้ารับการอบรมที่สถาบันแห่งนี้จึงมีอัตราของผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายสูงครับนะครับการปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นก็ผมก้เรียนเล็กน้อยนะครับมีอ่อนมีแก่นะครับไม่เท่ากัน เป็นอาการลําดับกันนะครับตามลำดับกันครับบางท่านถ้าทําแก่กล้าก็แก่กล้าครับบางท่านถ้าทํายังอ่อนอยู่ถึงธรรมกายเหมือนกันแต่ก็ยังอ่อนอยู่ก็มีครับทีนี้ความปฏิบัติธรรมที่ถึงธรรมกายนั้นถ้าหากยังละสัญโยช์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสามประการคือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและประจับปรามาตยังไม่ได้ครับผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นจัด เป็นแต่เพียงโคตรภูบุคคลคือระดับของคุณธรรมจัดว่าเป็นเพียงโคตรภูบุคคลคือว่ า, อ, าอยู่ระหว่างที่จะข้ามโคตรปุตุชนคือเสมือนหนึ่งว่าอุปมาว่าเท้าหนึ่งก้าวขึ้นสู่นิพพานครับเท้าหนึ่งยังยืนอยู่ที่ภพสามนี่เป็นอุปมาอุปไมยยังไม่ถึงเกือบเกือบเป็นพระอริยบุคคลนะครั บ, รบถ้าหากปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสต่อไปจน สามารถละสัญญ์กิเล็ตเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสามประการขึ้นไปได้ก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ถอยหลังลงคลองหรือว่ากลับลงมาในภพสามใหม่ครับถ้าปฏิบัติไม่ดีธรรมกายก็ดั บ, บ, บเพราะฉะนั้นจํานวนที่เรียนไว้ให้ท ร, ราบก็เป็นจํานวนที่ท่านปฏิบัติถึงธรรมกายและมีศีลาจารวัตอันงดงามในระหว่างการฝึกอบรม และเราก็ติดตามผลครั บ, รบถือว่าขอเมื่อการอบรมคราวต่อๆไปก็ขอให้ท่านที่ถึงธรรมกายแล้วกลับมาฝึกอบรมวิชาครูฝึกอบรมสั่งสอนผู้อื่นควบคุมธรรมะผู้อื่นต่อๆไปท่านก็จะได้แก่กล้า ย, ยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ยิ่งขึ้นเพราะการอบรมเพียงสองอาทิตย์ถึงแม้จะได้บรรยายทั้งหลักปริยัและหลักปฏิบัติไป ก็ยังไม่ครบถ้วนหรือครบถ้วนแต่ก็ยังซึมซาบไม่หมดต้องการปฏิบัติธรรมนั้งนั้นต้องแล้วแล้วเล่าๆจึงจะไปเป็นครูที่ดีของผู้อื่นได้ น, นะรับถ้าได้มีโอกาสสั่งสม บ, บ, บารมีอีกนะครับใช่ครับทีนี้มาถึงข้อที่ว่าทำไมการอบรมที่นี่จึงประสบผลสำเร็จสูงสูงมา <c oughs> สูงครับ <c oughs> แต่ความจริงไม่ใช่เฉพาะแต่การอบรมพระกรรมฐานที่นี่นะ การอบรมเป็นประจําอุบาสกอุบาสิกาเป็นประจําที่ทุกวันอาทิตย์ที่สาลาการเปลี่ยนวัฏเกศ า, าราชวรวมหาวิหารก็มีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายกันมากเหมือนกันครับมากทีเดียวครับในอัตราที่เรียกว่าอาทิตย์หนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกาย เ, เฉลี่ยแล้วกระผมว่าสามถึงห้าคนนี่เป็นประจำครั บ, ค ร, บครับเป็นอย่างน้อยครับทีนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรกระผมว่าขึ้นอยู่ที่หลายอย่าง หนึ่งกระผมขอเรียนว่าเป็นพื้นภูมิหรือบารมีของท่านที่สั่งสมเอาไว้ของแต่ละคนแล้วเข้ามาสู่สำนักนี้กระผมกระผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครั บ, รบเพราะว่าสิ่งอื่นอยู่ภายนอกตัวท่านผู้ปฏิบัตินั้นจะดีเพียงใดถ้าตัวท่านไม่ดีก็ท่านก็ไม่ดีทำยังไงก็เข็นไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะกล่าวถึงก็คือ ภูมิธรรมของท่านบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมาแล้วนั้นมีมากพอและท่านเหล่านั้นมาสู่สำนักนี้กระผมค่ๆเรียนว่าย่างนี้ครับข้อที่สองก็เป็นเรื่องของอการทำวิชาของครูบาอาจารย์ครับอันนี้กระผมก็ต้องเรียนว้เหมือนกันครับการทำวิชาของครูบาอาจารย์ซึ่งมีจิตใจที่พยายามชำระ กายวาจาใจให้สะอาดบนสุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านจะคุณพระภาวนาปูศนเทระซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายาวิปัสนาเป็นรองประธานโครงการและรองประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายท่านได้ประกอบวิชาซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาชั้นสูงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยตรงครับครับและท่านทําหน้าที่นี่อยู่เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของหลวงพอ่อหลวงพอ่อับครับ นี่นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญครับกับผมว่าคุณธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและสิทธิยานุสิทธิ์ซึ่งเมื่อพากันปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วก็ต่างพยายามชําระกายวาจาใจให้สะอาดด้วยการทำวิชาธรำนิโรธให้มากที่สุดเป็นประจําครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยเครื่องเชื่อมครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองนะครับเป็นเหตุที่สองครั บ, รบซึ่งกับผมเองกล้าเรียนณนะบัดนี้วันนี้คือเหตุที่สองครับครั บ, รบส่วนว่าเหตุที่สาม วิธีการครับนโยบายของโครงการของเรามูลนิธิของเราสถาบันของเรามีนโยบายสําคัญคือเปิดวิชาใครทําถึงไหนส่งให้ถึงนั่นซึ่งอันนี้สมัยหลวงพ่อสดท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ท่านทําเช่นนั้นท่ชับด้วยนะครับจนถึงมีปฏิธานว่าและท่านมีปณิธานไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกาย หรือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายดีกว่าครับท่านว่าต่อไปหมดประเทศนี้แหละครับปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายและท่านเริ่มต้นท่านปรารถนาที่จะให้มีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายเป็นมิจฉาอาจารย์อยู่ทุกจังหวัดครับครับและบัดนี้ก็เริ่มเป็นตามที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้คาดคเนไว้ครั บ, รบนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยคือเมื่อครูบาอาจารย์ต่างเปิดวิชาเพื่อเอาความดีเนี่ย ไปสู่คุตตบริษัทให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครั บ, รบอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญและมาถึงวิธีการวิธีการของเราอันนีอ้อาจจะมีอยู่ที่อื่นน้อยคือว่าเมื่อเรามีการปฏิบัติโดยส่วนรวมแล้วเรามีการแบ่งกลุ่มเราให้พูดที่ถึงธรรมกายซึ่งได้รับการฝึกวิชาครูอบรมวิชาครูแล้วเนี่ยช่วยควบคุมพระกรรมฐานแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆทั้ทงพระสงฆ์สามนเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชน เรามีวิทยากรอย่างนี้มากครับครับนี่แหละเป็นผลให้าการอบรมธรรมะของเราได้ผลสูงครับม <า S 1> น, น่าอนุโมทนานะครับครั บ, รบจันครับในแง่ของอประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนะครับแล้วก็ทางจากกรุงเทพมหานครเองเอให้ความอุปการะในการอบรมพระกรรมฐานครั้งที่เจ็ดนั้นเป็นยังไงบ้างไหมครับตั้งแต่ครั้งต้นมาจนถึงปัจจุบัน หมดเลยครับเขตญาติพี่น้องในจังหวัดเขตจังหวัดนคนปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรเพชรบุ ร, ร, รีสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างให้ความอุปการะยางอุ่นหนาฝาคั่งและจากกรุงเทพมหานาครจัดจังหวัดใกล้เคียงมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นที่7นี่นะครั บ, รบเรามีสิ่งซึ่ง เ, เป็น อ, อ, อาหารแห้งและอาหารสดและเข้าวสุกขสารเนี่มากมายส่งไปมากมายครับ จนทั่งเรามีข้าวสารเหลือจากการอบรมนี่ครั้งละรวมร้อยกระสอ บ, บแต่ว่าสิ่งที่เราเหลือนั้นไม่ได้เอาไปไหนนะครับเราแบ่งไปถวายวัดที่ยากจนหรือวัดที่ต้องการเช่นว่าวัดปากน้ำเรากระส่งไปถวา ย, ายหลายกระสอบโอ้ก็ได้บุญบกันะแล้วก็วัดสักแก้วอย่างเช่นวัดสะแก้วซึ่งที่จังหวัดอ่อางทองนะครับท่านก็เลี้ยงเด็กกัมพรานั่นเราเอาไปถวาย21 ก, กระสอบ แล้วก็ที่จิตตะาวันก็เอาไปถวายสิบกว่ากระสอบครับสิบกระสอบแล้วก็มีของอื่นอีกไปถวายคือมีอะไรเหลือเราก็ถวายไปเรื่อยๆแล่เรากําลังจะนําไปถวายอีกมากๆนะครับครับครับทีนี้ก็เรามีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยอาจารย์มีอะไรครับเออยากจะเรียมถามอาจารย์ถึงโครงการอนนี้กับผมเขาดีโอกาสเรียนเลยนะครับโครงการของเราว่าในระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าเมษายนนี้เราเปิดการอบรม ธรรมะปฏิบัติแด่เยาวชนภาคตดูร้อนผู้สนใจนักศึกษานิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั้งหลายสนใจโปรดติดต่อขอสมัครได้ที่สลาการเปลี่ยนวัสเกตราชวรีมหาวิหารและที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรมรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยตรงนี้เป็นโครงการที่1นึ่งคคโครงการที่2เราจะเปิดการอบรมพระกรรมาฐานรุ่นที่8ระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับอันนี้ก็พระสงค์ เข้ารับการอบรมได้สมัครได้ก็มีจดหมายโดยตรงไปยังสมัครไปณสองที่นี่แหละครับได้เหมือนกันครับรุ่นที่แปนะครั บ, ร, บรุ่นที่แปขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมของดรพัฒนาวะนนันและอาจารย์มงคลบุตรในเรื่องธรรมากายเป็นของจริงในพระพุทธศาสนาหรือไม่ เทปนี้เป็นเทปเก่าที่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณยังไม่ได้บันประชาอุปสมบทอย่างใช้นามว่ามงคนละบุตรดำเนินกิจกรรมการอบรมพระกรรมฐานตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่37แล้วสาธุชนผู้สนใจหรือพระคุณเจ้าผู้สนใจที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะ สู่สันติอยู่ในขณะ น, นี้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมรับการอุปรมพระกรรมฐานก็สามารถติดต่อขอเข้ารับการอุปรมพระกรรมฐานได้เป็นประจำเพราะทางวัดได้จัดขึ้นปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์รหัสจังหวัด 032-254-650 และ 253-352 กดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงเพียงเท่านี้